เพื่อนจะทำมิกนหมวสงเลิปาชุกโตด้วยความกลัวป้องขมอันนี้เราท่านได้มาทำสามีจิตกรมมาารมวัดลบแะเงออกให้เห็น ตั้งกายว่าจะั้งกายะกรรมทั้งวิจีกรม ร, กรมมัาจะเกิดจากมนุกรรมวาจนัดกันพูดกันตอนนี้ก็จะดงออกถึงความเป็นที่พิ่ารอาศสยกิน <c oughs> แล้วก็วมีคนงสบายใจอุ่นใจสุขใจเย็นใจมีเพื่อนดีมิตดดีสหายดี ผมจะเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันได้วยในวนันนี้วันนี้เราก็มีอายุเจ็ดสิบเก็ดปีเต็มพอดีเป็นอยู่ในวัยในคนแก่อะไรก็ช่วยตัวเองไม่ได้เท่าที่ควรถจนต้องหล่อแสดงออกอย่างนี้แล้วก็มีที่พึ่ง ก็ใาาสยต้องไม่เปลี่ยวเดียวดายไอ้ยอมแก่ยอมเท่าชันดีแล้วก็ใจมากมากแล้วก็ชีวิตของเราเป็นสอดรับดีกันเพื่อนไอ้ทำมาวินหน่อยรอมทาวินหยแล้วก็มีสิ่งที่เดียวก่อน อันเดียวก่อเมื่นกันลงเรือลำเดียวก่อนให้ข้ามภาคบรสูงสานให้ตอดลอดฟองวิธีข้ามฝากข้ามเรือแล้วก็มีอยู่แล้วใน ห, หลักทิจรีของพระเจ้าจะธําสอนนน ให้เราได้เห็นโดยเกิดจากลืนหูหลืนตาขึ้นมาตอบใครหน่อวิปัสสนากรรมฐานมีสติดูกายดูใจของตนเองเราได้เห็นหนนทางก็มีสติเป็นเจนชีวัตเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจแล้ว จะเห็นทางทุกข์ชีวิตเลยทีเดียวเจ้นมีความรู้สึกตัวตั้งไว้ก่อนเป็นที่ตั้งเป็นป้อมปา ก, การคอยเฝ้าดู่อยใจที่มันแสดงออกลักษณะไหนแบบใดมันแสดงให้เห็นอยู่ไม่ปิดบังบังเมืับเปิดของที่ปิด กายของตีขึ้นมาให้เห็นหมดทุกรูปแบบของกายของใจเราดีมันหลงมันสุขมันทุกข์มันผิดมันถูกละสงต่างหง่วงเมาหมนอนปิดฝุ่งจอดลังเลสงสัยสะไรพบอย่างนั่นแห ล, ละเราจะได้มีจุตติเร็นเจนตั้งไว้กลับมาลู้จักตัว เราจะได้เห็นเหตุการเช่นนั่นเกิดขึ้น1้อยแปดัอย่างแล้วก็มีหลักจุดยืนรู้จักตัวกับมารู้จักตัวกับมารู้จักตัวั้องหมดอย่าไปเป็นกับมันอยู่ตรงกลางเหมือนสุกก็เห็นเหมือนสุกบรรทุกก็เห็นบรนทุกอยู่ตรงนี้อยาสุกเป็นสุกย่าให้ทุกเป็นทุกยาให้หลงเป็นหลงยาให้รู้เป็นสันลู เปนความพอใจความไม่พอใจอย่าเอาจิตเอาใจให้ไปเปิดเืด่อนเช่นนั้นช่วยเจิตใจของเราให้กลับมารู้จักตัวกลับมารู้จักตัวเช่นนี้กลับมารู้จักตัวเช่นนี้อยู่เสมอกลับมาแล้วกลับมาอีกมาจะคินจะเคยว่าเหยียบทางเช่นนี้ได้เหยียบทางเช่นนี้ได้อยู่ตรงจังก็ดีเป็นมากวิถีชีวิตของเรา จะไดมั่นใจเป็นหลักที่จะดีชีวิตตามหลักพระเจ้าสอนในพวกเห็นแล้วเหยียบเส้นทางไดแ้แล้วก็จะไปตลอดโลอดฟางจนหมายปลายทางเมื่อเหยียบเส้นตอนได้เช่นสมมาทิติความเห็นชอบเช่นนี้เหมืนบอกผิดบอกถูกเป็นความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้อง นี่ฤๅีรู้สึกตัวอย่งนี้ความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกสถูกต้องจนดีสัมผัสได้แล้วสัมผัสได้แล้วก็จะได้หลักชีวิตที่มั่นคงไม่ปิดเ็เราลงเลรือลูกที่ใดก็เรือก่อนแล่นไปผ่านโนดผ่านนี่ไปเรื่อยๆเมื่อละอลงจากเรือจะลีลีขวงขวง มาร่วงกันลงเรื่อนี้ก็ไปตลอดโลดฟังดมเล็กชอบคิดไปเลยก็คิดจะช่วยคนอื่นจึงอื่นวัตถุอื่นอยู่เสมอถือว่าเป็นการเดัดขาดไปแล้วเรื่องความคิดก็จะคิดายเด็ดขาดไม่เอ า, า, เอาใจว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ความคิด ไม่โอกายเอาใจไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเด็ดขาดไปเลยนี่ไปเสร็จแล้วออกจากวังนี่ไปฝังอาจจะไปฝังโ่นแล้วนี่ระบ้านนีจากความชั่วไปสู่ความดีคิดแล้วก็คิดถูกการพูดจาภาษาก็ถูกได้วันนี้มันมีทั้งวันมีกายมีใจมีวาจา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 ในคนเราพบรสชาติเลยได้เปลี่ยนมันซาเด้ดรุ่มันทันทีมาไววไหวสติมาไววไวแต่การคิดจิตใจวาจาจะถูกไปแล้วเด็ดขาดแล้ววาจาก็เด็ดขาดแล้วไปสิแล้วพ้นไปแล้วพ้นบาเก่าไปได้บ้างแล้วรู้สึกเห็นกับเส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 จะทำสิ่งแต่ไม่ถูกต้องไม่เห็นความไม่ถูกต้องก็พยายามที่จะคิดเพื่อที่จะทำจิงอืวัตถอื่นนห้มันถูกต้องมีให้ทำงานเช่นนี้ไม่ใทำเพราะเราอยู่ในโลกหลอยชีวิตหลายจิตหลายใจนาน า, นาจิตตังคนทำชั่วก็มีคนทำไม่ชั่วก็คนทำถูกทำผิดก็มีนั่นเราก็ สะบักตัวลงไปแก้ไขตนเองเลิมหนึ่งจากตัวเราก่อนเป็นเรื่องของเราใช่หรืนคนทําไม่ดีมันเป็นเรื่องของเราเนคนทำคนอื่นเป็นทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราเปิดการนอนชอบตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปแก้ไขด้วยการแสดงออกบ้างโดยความพูดบ้างโดยการคิดบ้างทํำในจะอยู่บ้าง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 กำลังพอที่ทำได้ก็ทำไปเลยทีเดียวไม่ล่อนับต้นจากโตนับเดิงจากเล้ก่อนเกิดการชอบเึ้นนี่ขึ้นมาเมื่อเกิดการชอบกว่าเลี่ยงชีวิตชอบพอดีพอประมาณไม่ทำให้ใครเดือดร้อนโดยเพพาะเราเป็นนักปว่วนเพื่อนจะทำให้เลี้ยงชีวิตด้วยคนอื่นชัดลี แล้วก็หอพอเหมาะพอดีแล็กการทํางานก็ดีในการยลี้ยงชีพก็ดีก็ทำไม่ทําให้เสียตะกิจเสียหายแม้เราไม่ได้เป็นยอดโยี่ยมทำมาหากินเสียภาเสียก่อนจบประเทศ ย, ยอดบ้านเมืองเราก็ประหยัดไม่ทําอะไรให้เสียหายอาจจะมีแต่ความสร้างขึ้นมาให้ดีกว่าเก่าเรื่องชีวิตชอบก็ มีความภาคเคีรพชอบขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวเขียนประกอบสจริญนั่นไม่ท้อวถอยตั้งใจไว้ที่ไหนไวายอมทำสิ่งนั้นไม่หวังทุเลาะก็ะเกิดความเภารพความทาาเคีรพชอบไปมีเปนันหาอุปจักรตะใดก็พยายามอยู่เสมอหนักบ้างเบาบ้างคอยยอมตามกำลังของเรา ไในความเพียรชอบแม้จะเกิดจากตัวเราก็มีความเพียรชอบเกิดจากชิงหรือวัตถุอ่นก็ตั้งใจมีความเพียรชอบอยู่สเสมอในการทวามดีแล้วความชั่วก็ไปเองวันทองบอกไปเองเมื่อมีความภาคเพียรชอบมีสติว่ตั้งไว้ชอบไม่งอนแย่นคอนแคน ตั้งหลักไดยเมื่องอแงจนเกินดินธอสนเสริญสุกทุกข์อะไรเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวในโลกนี้มีอยู่จริงกวามหาเที่ยงควาไม่ทุกข์ก็ไม่อยู่จริงไม่หวั่นไหวสุกทุกข์ดินธอสนเสริญไม่หวั่นไหวได้หลักเช่นนี้มั่นคงมีควา ม, มั่นคงพอสมควรเออเป็นหลักยืนหยัดได้ มีความมีสติต้องไว้ชอบก็มีสมาธิมีจิตใจต้องไว้ชอบอีกมันก็ผลังอันนี้ครวมกันเป็นเส้นทางไปได้ง่ายๆสุดไหลปลายทางตลอดลอดฟังหรือว่าก็สูสุดวังโู่นไปได้ข้ามไปได้มองเกินหลัง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 พระบรลงมาศาสตราของเราก็ตั้งต้นอย่างนี้เกิดจากวิปัจนากรรมฐานทำกรรมฐานไม่ใช่บิเรียนรู้เขาฉีสตาเรียนมาจบทิ์เกศาสตร์ไม่รู้เรื่องนี้เลยอมมเาฝึกมีสตินั่งคู่แขนเข้านั่งเกียร์แขนออกรู้สักตัวขึ้นมามันเกิดเห็นอย่างนี้ขึ้นมา เอาใช่ได้เจิงๆโอ้นี่โอ้นี่นี่นี่คา่าค่าวาอย่างนั้นมั่นใจอย่างนี้นี่นี่ความผิดก็บอกความถูกก็บอกนอี่องอาจจะนั่งอยู่ใต้ต้นโพก็อยู่ประจา่าจำโน ด, ดูคิดถึงประจา่าจำดูกขบ ba ลู่จากตัวพิถึงพิม b ากลับมารู่จากตั ว, ตวนี่นี่มันก็ได้หลักอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เราจึงมาทำเดินตามรอยพระทศเจ้าพระศาสนาของเรามั่นใจอุ่นใจดีเมื่อเราทําอย่างนี้ก็เหมือนพระเจ้าอยู่ข้างหน้าเสมอไปยวกมือเรียกเบกมือเรียกมาทางนี้มาทางนี้อุนอกอุนใจเตาพรหันทั้งหลายเยอะแยะก็รู้สึกว่ามี ที่พึ่งพอช่วยอุ่นใยดีไม่ใช่เราเดี่ยวเดียวดายเส็จแล้วยิ่งพวกเรามาอยู่ด้วยกันที่นี่ไม่ต้องหมูสงเลยอดโยมในวันนี้มากันพอสมควรก็ขออยากพูดอยากบอกจางนี้วันจึงจะถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องเป็นเช่นนี้มีอยู่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 พอจะอยู่กันได้ที่นี่แล้วก็มีกันได้ยาวมีมีพระอาจารย์ไปสารอาจารย์สอนเิษอาจาร์โน้ตจรย์ดูดมเชิญสถาบิกชีวิตไหลอยู่ที่แม่จีหมูญาติโยมหรือเบอร์มีพวกเราบริษัทพวกเราขนส่งให้ไปให้พ้นการคนหนึ่งช่วยอันหนึ่งคนหนึ่งช่วยอันหนึ่ง นี่ก็เลยเกิดเช่นดิ้ัช่นมาแล้วก็มีจิตก ร, รมวิธีก ร, รมจิตวัดวิธีวัตรสมบูรณ์แบบมีการวิธีธรรมะ ส, ส่วนมวนตอ น, ตอนเยน้าตอนเย็นแล้วก็แสดงธรมดิบมันเหมาะที่สุดแล้วแล้วก็มีสถานที่อย่างนี้มีสารที่อย่างนี้ก็จะไปอยู่ไหนอีกชีวิตเราก็มีอย่างนี้แล้ว มีชีวิตอย่างนี้แล้วสัมปัตได้ทุกชีวิตอย่าจนอย่าโจนอันนี้เราก็รู้สึกว่าอ่นใจอุ่นใจมีทั้งหมูสองระยะย้จมปาสกปาชิกาเราก็พูดได้ไม่มาก อ, อยากจะพูดก็โดยเฉพาะเลม่อนความ ส่วนดังชีวิตของเราเรายมเราไม่เลืม่มสัตตีตอนที่เราป่วยหาปีผ่านมานี่เรื่อนความได้มีส่วนช่วยชีวิตของเราไว้ก้าวอะไรก้าวบาเล่ลยกไม่เคยได้ฉันข้าวบาเล่เลยนอนหลับก็บานขนาดฟื้นฟูใหม่ขึ้นมาสา ม, นมอนเรมหลา้าอะไรเนี่ยก้าบาเล่โอ้ ถ้าไม่ป่วยก็ไม่ได้กินเนาะเข้าบเลยเลยรู้จักว่ามีชีวิตจิว่ารลอม่อนความเลอมอนปลอมขอบใจขอบใจทุกคนนะพูดได้ใช่หมฮะฮะสนาาุสานจะมันจะไปฉันให้ฝังหน่อยเนะยาะยะาบาลีว่าาปูลาบาลีปรันตีซาก็ดังเอวไม่ตถึ ง, งลังเตนลังอภิปิ ดังปัจจุบันต้องคิดไปว่าจะมีชีวิตชั่วชोวิตเพื่อ h ป็นตัวตนกับอาชีพตัวตนกับอาชีพตัวตนและส่วนยอดตัวนี้จะตัวยอดจะเป็นที่อวตารตัวชั่วพลุกพล่านสัตว์ม้าเทพบาตรวัตรราโยตุกิฏิกาโยคุปวาอภดง What?